ซาลีวิดิโอครอบครัวข่าวศตวรรษ116ข้าพเจาพระมหาไพบูญอภิปุโนมาพบกับทัตบุฟังนนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาให้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในสังสารวัตรนี้ท่ัตบุฟังเอาอไง่ายๆไม่ต้องเอายาว ม, มาเอาแค่ชีวิตประจําวันของเราเอาแค่วันนี้หรือจจะในเดือนนี้ที่ว่าบางทีเรา เจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแต่บางครั้งเราก็พยายามทำความดีดีแสนดีแต่มันกลับเจอสิ่งที่ไม่ดีบ้างในบางครั้งบางคราวมันก็เป็นอย่าง BOY. นั้นในนิรันดร์สนาของสังสารวัฏทั้งฝั่งมันจะเป็นอย่างนี้แต่ดีก็มีชั่วก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีบางครั้งเราได้รับความทุกข์ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งทัที่เราก็พยายามพยายามทำความดีซึ่งอันนี้ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนวิจิตะว่าผลของกรรมที่มันจะให้เนี่ยบางทีมันก็ให้ต่างเวลาต่างวาระต่างความหนักต่างความเบาวันนี้จึงจะนําเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทที่เขาอธิบายพุทธพจน์เอาไว้และในส่วนของคนที่พยายามทําความดีทําความดีแต่ก็ได้รับผลไม่ดี ต, ตัวอย่างที่จะนํามายกในเรื่องนี้คือเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก แต่เป็นอักรสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากแต่ท่านก็ได้ทํากรรมไม่ดีเอาไว้ในปางก่อนคือการฆ่ามาดาบิดาทําใหในอัตภาพนั้นของท่านเนี่ยก็ถูกทุบตายหลายหลายคนก็คิดว่าไ ม, ไม่น่าสมควรกับความเป็นสมณะเนี่ยถูกโจนทุบตายแต่ก็มีบุพกรรมเก่าที่ท่านได้ทาเอาไว้แต่เรามาฟังเรื่องราวของท่านพระมหาโมคลานะเพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้น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 เดรตที่รู้เรื่องก็พากันตอบว่าขอรับพวกข้าพเจ้าทราบลาบและสักระเกิดขึ้นพระอาศัยพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาโมกคลานะเพราะพระเถระนั้นไปเทวโลกถามกรรมที่พวกเทวดาทำแล้วก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่าถวยเทพทำกรรมชื่อนี้ย่อมได้สมบัติเห็นป่านนี้ แม้ไปนรกก็ถามกรรมของหมูสัตว์ผู้เกิดในนรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าพวกเนรยิกาสัตว์ทำ ร, รมชื่อนี้ย่อมเสวยทุกเห็นปานนี้พวกมนุษย์นั้นได้ฟังถ้อยคำของพระเตระนั้นแล้วย่อมนำลาบสักกะเป็นอ น, นมากไปถวายถ้าพวกเราจะสามารถฆ่าพระเตระนั้นได้ไซ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 อุปตากของตนได้ทรับพันกหาปณะนะให้เรียกมูโจนผู้เที่ยวธรรมกรรมคือฆ่าบุรุษมาแล้วสั่งว่าพระเถระชื่อมหาโมก ค, คลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกเจ้าไปในที่นั้นแล้วจงฆ่าพระเถระนั้นหนังนี้แล้วก็ได้ให้กหาปณะนะแก่พวกโจน พวกโจรรับคําเพราะความโลภในทรัพย์ตั้งใจว่าพวกเราจะฆ่าพระเตระดังนี้แล้วก็ไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมกขลานะเตระนั้นไว้พระเทระทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงออกไปทางช่องลูกกุญแจหลีกไปเสียในวันนั้นพวกโจร น, นั้น ไม่ได้เห็นพระเตระในวันรุ่งขึ้นจึงไปล้อมอีกพระเตระทราบแล้วก็ทำลายมนทนช่อฟ้าเพาะไปสู่อากาศเมื่อเป็นเช่นนี้ในเดือนแรกก็ดีในเดือนท่ามกลางก็ดีพวกเดรตีนั้นก็ไม่ได้อาจจับพระเตระได้แต่เมื่อมาถึงเดือนสุดท้ายพระเตระ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 ถวายบางคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จะประินิพพานพระเจ้าข้าโมกขลนะเธอจะประินิพพานหรือข้าพระองค์จะประินิพพานพระเจ้าข้าเธอจะปรินิพพานที่ไหนข้าพระองค์จะไปสู่ประเทศชื่อกาลศิลาแล้วปรินิพพานพรกกนนะเจ้าข้าโมกขลนะถ้ากรณนั้นเธอกล่าวทำแก่เราแล้วจึงค่อยไป เพราะในบัด น, นี้เราจะไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธออีกระเตระรับรำดังนั้นแล้วถาวายบังคมพระศาสดาเขาขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์มีประการต่างๆอย่างพระสารีบุตรแสดงฤทธิ์ในวันบริณิพนแล้วกล่าวทมถาวายบังคมพระศาสดาแล้วไปสู่ดง ใกลกาลสิลาประเทศประดนิีผ่านแล้วถ้อยคำเล่าหลือแม่นี้ว่าข่าวว่าโจรฆ่าพระเทรีเสียแล้วหนังนี้ได้กระชนไปทั่วชมพูทวีปตอนพวกโจรถูกจารบุรุษจับได้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงแต่งจารบุรุษคือคนสอดแนมไป เพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจรเมื่อโจรแม้เหล่านั้นซึ่งกำลังดื่มสุราอยู่ในโรงดื่มสุราโจรคนหนึ่งก็ถองหลังคือผลักหลังโจรคนหนึ่งให้ล้มลงโจรที่ถูกถองหลังกูตะคอกโจร น, นั้นแล้วพูดว่าเฮ้ยให้หัวดือ้อทำไมจึงถองหลังกูเล่าโจรผู้หนึ่งกล่าวว่า เฮ้ไอ้โจรชั่วร้ายก็พระมหาโมกคลานะมึงลงมือตีก่อนหรือโจรอีกผู้หนึ่งก็มึงไม่รู้หรือว่าพระมหาโมกคลานะถูกกูตีหรอกหรือเมื่อพวกโจรเหล่านั้นพากันกล่าวอวดอ้างอยู่ว่าพระมหาโมกคลานะกูตีเองแล้วกูตีเองแล้วอย่างนี้เจ้าระเบรุษเหล่านั้น ได้ยินแล้วจึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วกราบตูนแด่พระราชาพระราชาทุมีรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้วรัตามว่าพวกเจ้าข่าพระติระหรือพวกโจรเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระราชาใครใช้พวกเจ้าเล่าพวกโจรพวกสมณะเรือพระเจ้าข้า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 ด้วยถยเหล็กทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนใหญ่และท่อนน้อยและหาท่อนมิได้ครับสั่งให้ทำการเสียบเหลาวไว้ในโจนสี่คนภิกสุตตงหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าสังเวชจริงพระมหาโมกคลานะวรณภาพไม่สมควรแก่ตนพระศาสดาเสด็จมาตรัถามว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาช่วนี้พระโชาคา่าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมฆะแลนะม ร, รณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้นแต่เธอถึงม ร, รณภาพสมควรแต้แก่กรรม ที่เธอดำไว้ในการกร่อนอันพิกษุทลายตูนถามว่าก็บรุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าโปร่งจึงได้ตรัสอดีตนิทานอย่างพิสดารดังต่อไปนี้ตอนบรุรพกรรมของพระมหาโมกขละนะดังได้สดัตยมาในอดีตการกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองพราราสี มีกิจ ต, ต่างต่างมีตำข้าวและหุงต้มเป็นต้นทำด้วยตัวเองทั้งนั้นประนิบัติมารดาบิดาต่อมามานดาบิดากองเขากาพูดกับเขาว่าพ่อเจ้าผู้เดียวเท่านั้นทำงานทั้งในเรือนทั้งในปลาย่อมลำบากมานดาบิดาจะนำหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เจ้าทูกเขาห้ามว่า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 ก็ไม่อยากเห็นท่านทั้งสองนั้นเลยจึงบอกกับสามีว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับมารดาบิดาของเธอได้ดังนี้แล้วก็ตีเตียนต่างๆนาน า, นาเมื่อสามีนั้นไม่เชื่อต้อยครรมของตนในเวลาสามีไปไปนอกถือเอาปอก้านปอและฟองข้าวยากูไปเรียรายไว้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 แม้เห็นปานนั้นก็แตกกับมารดาบิดาได้เขาจึงพูดว่าเอาเถอะฉันจะรู้รมที่ควรทำแก่ท่านทั้งสองดังนี้แล้วจึงเชิญมารดาบิดาให้บริโภคแล้วชักชวนว่าข้าแต่พ่อและแม่พวกญาติในที่ชื่อน้นหวังการมาของท่านทั้งสองอยู่ผมจะพาไปในที่นั้น ดังนี้แล้วก็ให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ยานน้อยแล้วผาไปในเวลาถึงกลางดงหลวงว่าคุณพ่อครับขอพ่อจงถือเชือกไว้โคทั้งสองจะไปด้วยสัญญาณแห่งประตักนี้ในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไปดังนี้แล้วก็ได้มอบเชือกไว้ในมือของบิดาลงไปแล้ว ได้เปลี่ยนเสียงทำเป็นเสียงของพวกโจรซุ่มอยู่มารดาบิดาได้ยินเสียงนั้นด้วยสำคัญว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่และพ่อแก่แล้วเจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจ้าให้ผลภัยเถิดเขาได้ทำเสียงดุดโจรทุกตีมารดาบิดาแม้ผู้ร้องอยู่อย่างนั้นให้ตายแล้ว ทิ้งไว้ในดงแล้วกลับไปตอนผลของกรรมชั่วตามสนองพระศาสดาครั้นตรัสบุรบุกรรมนี้ของพระมหาโมกขลานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมกขลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ไม่ในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากที่ยังเหลือจึงถูก อย่างนั้นนั่นแหละละเอียดหมดถึงมรณะสิ้นรอยอัตภาพโมกลลนะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมแก่กรรมของตนเองแต่พวกเดรที500กับโจร500ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันโดวยว่า บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายยอมถึงความพินาศที่พายด้วยเหตุสิบประการเป็นแท้หนังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมี่ได้ทรงภาสิทธิพระคตานิว่าโยทันเทนะอัทเทสุอัปปุตเตสุทุสติทสัส น, นะ มันยะตรังฐานังคิบะเมวังนิคัตติเวทนังพระุสังชานิงสรีรัสะเจเพทนังขรุกังวาปิอาภาตังจิตตะเขปังวะปาปุเนราชาโตวาอุปสักังอภักขานังวะทารุนัง ปริคยางวิยาตีนังโภกานังวะปะพังกุณังอัฐวาสสะอาคารานิอักกิทะติปาวโกกาญสสะเพตาทุปัญโยนิระยังโสอุปปัจจติผู้ใดประทุษร้ายไหนท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผู้ไม่มีอาทยาด้วยอาทยาย่อมถึงตานะสิบอย่างยังได้อย่างหนึ่งปันเดียวคือถึงเบตนากระหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสรีระหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งความฟุง้งซ่านแห่งจิตหนึ่งความกัดข้องแก่พระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเรือญาติหนึ่ง ความเสียหายแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไฟป่าย่อมไม่เรืองของเขาหนึ่งผู้นั้นมีปัญญาสามตายไปย่อมเข้าถึงนรกดังนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอันเทสุคือผู้ไม่มีอาตยาหมายความว่าในพระกีนาสพทั้งหลายผู้เว้นจากอาตยามีอาตยาต่างกายเป็นต้น คำว่าอปาทุเตสุแปลว่าในท่านผู้ไม่ประทุษรลายทั้งหลายหมายความว่าผู้ไม่มีความผิดในชนเหล่าอื่นหรือในตนคำว่าทันนะมะยะตรังฐานังแปลว่าฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าในเหตุแห่งทุกสิบอย่างซึ่งเหตุ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 มีการตัดมือเป็นต้นคำว่าคะ u ุกังแปลว่าหนักได้แก่อาพาธหนักต่างด้วยโรคมีโรคอัมาพาตมีจากสู่ข้างเดียวเปลือยง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตตักเขปังแปลว่าความฟุง้งซ่านแห่งจิตได้แก่ความเป็นบ้าคำว่าอุปสักขัง แปล ว, ว่าความกัดข้องได้แก่ความขัดข้องแก่พระราชาเป็นต้นว่าทอดยศลดตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าอับักขาหนังแปล ว, ว่าการถูกกล่าวตู่หมายความว่าการถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรงเห็นป่านนี้ว่ากรมมีการตัดที่ต่อเป็นต้นนี้ก็ดีกรมคือการประพฤติผิดในพระราชานี้ก็ดีเจ้าทาแล้ว ซึ่งตนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดเลยคาว่าปริกรยังวะยาตีนังแปลว่าความย่อยยับแห่งเกรือญาติได้แก่ความย่อยยับแห่งเกรือญาอยยอติผู้สามารถเป็นที่พานักของตนคาว่าระพังกู้นังคือความเสียหายคือความเสียหายได้แก่ความผุพังไป หรือข้าเปลือกในเรือนของเขาย่อมถึงความเน่าทองคําถึงความเป็นฐานเพลิงแก้วมุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝ้ายกรหาปณะนะถึงความเป็นชิ้นกระเบื้องเป็นต้นสัตว์สองเท้าสี่เท้าถึงความเป็นสัตว์บอดเป็นต้นคาว่าอคีทหัหติคือไฟป่าย่อมไหม้หมายความว่าในปีหนึ่ง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 แม้ถึงตานะ1ิบอย่างเหล่านี้ยังได้อย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้แล้วก็พึงถึงในสำเปรายภพโดยอย่างเดียวกันนอกจากเรื่องของท่านพระมหาโมคลานะที่ดูเหมือนกับว่าจะได้รับสิ่งที่ไม่สมควรในอัตภาพนี้ยังมีเรื่องของอุบาสกอีกคนหนึ่งเหมือนกันชื่อว่านายการชื่อนายมหาการ ก็ได้รับกรรมไม่สมควรแก่อัตภาพของตนเรามาฟังเรื่องของนายมาหาการเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของท่านพระหม า, ามโมกลานะในความที่มีส่วนเหมือนกันอยู่เรื่องราวของนายมาหาการเป็นดังนี้ได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถ8วันต่อเดือนคือเดือนละ8วันรังธรรมกะตาตลอดคืนยันรุ่ง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 แล้วก็ทิ้งไว้เลยไปครั้งนั้นพิกสุดนุ่มและสามเณเฑนทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่พบนายมหาการนั้นก็กล่าวว่าอุบาสกฟังธรรมกถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควรเลยดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายมหาการนี้ได้บารณะไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทําไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละประสาสดาอันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอรัตนาแล้วจึงตรัสบรุรพกรรมของนายมหาการนั้นว่าดังได้สดับมา ในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตคามแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าปรณนาสีพระราชาทรงตั้งราชภัฏ์คือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชภัฒนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากข้างนี้ สู่ฝากข้างโน้นนำคนจากฝากข้างโน้นมาสู่ฟากข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภริยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้วได้ไปถึงที่นั้นราชพัฏพอเห็นหญิงนั้นก็เกิดสีเนหหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านาย ขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงเถิดก็ตอบบ่าบัดนี้ข้ามืดเสียแล้วเช้าตรูเ่เถอะเราจะช่วยให้ท่านพ้นไปมนุษย์ปุณัน้นายยังมีเวลาขอโปรโดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะราชบัตรกล่าวเถอท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียวมนุษย์นั้น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 พูดนั้นแล้วในเวลาจวนรุ่งให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้าไปในบ้านลาดับนั้นพวกบุรุษแจ้งแก่ขาว่านายแก้วมณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้วไรราชบัตรจึงสั่งว่าพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลายตรวจคน้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้าน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 เกิดในอเวจี v G. ไม่อยู่ในอเวจี v G. นั้นสิ้นกาลนานถูกทุพ ถ, ถ, ถึงความตายอย่างนั้นแหละในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่ประศาสดาครั้นส่งแสดงบรุรพกรรมของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุตั้งหลายบาปกรรมอันตนทําไว้นั่นแหละ ย่อมย่ำยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสีอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระกถานี้ว่าอตตะนาวะกะตังป่าปังอตตะชังอตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวะชิรังวัมหยังมนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำ ย, ยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นคำว่านการเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือนายดำนั่นเองนายกาละนี้ที่นี่ก็คือสื่อถึงความที่ชื่อนายดำดำใหญ่หรือดำเล็กถ้าดำใหญ่ก็คือมหาการถ้าดำเล็กก็คือจุลการ ในที่นี้ก็มีเรื่องของนายดําเล็กคือนายจุลการอยู่เหมือนกันที่เหมือนเหมือนกันคือตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันมีคนมาใส่ความแต่ว่านายจุลการคือนายดําเล็กเนี่ยเขาไม่ได้ทําความผิดแล้วก็เลยไม่ถูกฆ่าตายก็มีเรื่องของนายจุลการเพื่อมาเปรียบเทียบกับเรื่องของท่านพระมหาโมกละณะกับนายมหาการว่ามันก็มีความแตกต่างกันมีความตรงข้ามกัน แน่ด้วยเหตุผลนั้นก็คือความที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทาเรามาฟังเรื่องของนายจุลการความพิสดารในเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งพวกโจรขุดอุโมงถูกเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วในขณะนั้นอุบาสกจุลการได้ฟังธรรมกถาในวิหารตลอดราตรีจึงเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่ มาสู่กรุงสาบถีพวกโจรนั้นจึงได้ทิ้งห่อพันธะไว้ข้างหน้าของอุบาสกจุลการนั้นแล้วก็หลบหนีไปโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องของมหาการนั่นแหละพวกมนุษย์เห็นก่าวแล้วก็พูดว่าคนนี้ทำจรกรรมในราตรีแล้วทำทีเหมือนฟังธรรมเที่ยวไปท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับมันไว้ ดังนี้แล้วได้โบยอุบาสกนั้นมูนางกุมพล า, าสีคือเหล่านาง่าที่ขนน้ำเดินไปท่าน้ำประสบเหตุนั้นจึงกล่าวขึ้นว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไปท่านผู้นี้ย่อมไม่ทำกรรมเห็นปานนั้นดังนี้แล้วให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเก่าแล้ว เขาไปยังวิหารบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านกอรับข้อ ก, กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ชิบหายแล้วกระผมได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภาะาสีภิกสุทั้งหลายจึงก ร, ราบทูลความข้อนั้นแกพระศาสดาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพิสุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิษุทั้งหลายจุลกาณอุบาสก ได้ชีวิตพระอาศัยพวกนางกุมภาธาศีและความที่ตนไม่ใช่ผู้กระทาโดยว่าธรรมดาสัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมด้วยตนแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองในอบายมีนรกเป็นตนส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้วไปสู่สุคติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสพระคถานิว่าอัตตนาวะกะตังปาบังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนาอกะกตังปาบังอัตตนาววิสุจติสุทธิอะสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเอง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 ที่มันอาจจะต่างวาระต่างเวลากันทําให้บางทีอาจจะดูเหมือนกับไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในสังสา ร, รวัฏท่านผู้ฟังเราหาความยุติธรรมไม่ได้หรอกคนที่แม้ จ, จะทําดีเหมือนๆกันคล้ายๆกันแต่ก็จะได้รับผลต่างวาระต่างเวลากันอยู่ดีความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่ได้ปรากฏออกมาให้เห็นชัดเจนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราสร้างกรรมดี ถ้าเราสร้างกรมดีทำความดีแล้วเนืยอสิ่งนั้นจะได้ให้ผลดีแน่นอนอาจจะต่างเวลาต่างกวาระกันบ้างวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าต้องการจะทำคำตามหรือว่ามีสิ่งใดที่จะสื่อสารกับทางรายการก็สามารถไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ b u r e d h a m m a .com เรียน่อน